ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีการสถาปนากรุงธนบุรีภายหลังการสูญเสียกรุงศรีวิทยาแก่พม่าแล้วบ้านเมืองอยู่ในสภาพระสำระสายขาดรัชาพันธ์ดินปกครองประชาชนพานกันหลบหนีไปอยู่ตามป่าและหัวเมืองห่างไกลอย่างไรก็ตามการเสียกรุงครั้งที่สองนี้ยังมีหัวเมืองอีกหลายแห่งที่รอดพ้นจากการทำลายของพมา่าจึงได้มีผู้นำคนไทยตั้งตัวเป็นเจ้าชุมนุมขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังเข้า ก, กอบกู้อิสรภาพต่อไปโดยมีทั้งหมด5ชุมนุมคือ1ชุมนุมเจ้าพิมาย สชุมนุมเจ้าพระฝาง3ชุมนุมเจ้าพญาพิษณุโลก4ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช5ชุมนุมเจ้าตากหรือพญาตากสินซึ่งสามารถกอบกู้เอกราชขึ้นมาได้ภายในปีเดียวกันนั้นโดยใช้เวลาเพียง7เดือนหลังจากกอบกู้เอกราชได้แล้วเจ้านายและข้าราชการได้พร้อมใจกันอัญเชิญให้พญาตากขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่4แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากศินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรี